บรนี้จกักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปพระธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับอาปโปธาตนั้นยังมีโดยประยายหนึ่งคือทรงอุ ป, ปมาความอัศจรรย์แห่งพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงศึรษุและทรงสแสดงไว้ ว่ามีลักษณะเหมือนกับมหาบุรุษแปประการด้วยกันมหาสมุดแ8ประการด้วยกั น, กกนคือประการแรกมหาสมุดนั้นมีความลุ่มลึกลงไปโดยลำดับเหมือนกับคำสอนในพระพุทธศาสนาที่จะต้องมีการศึกษาโดยลำดับ มีการปฏิบัติโดยลำดับและมีการบรรลุผลอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยลำดับไม่มีอะไรที่เป็นไปโดยโรวดเร็วรวดพราา ด, ดังนั้นจะพบว่าหลักธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นเหมือนกับบันไดที่จะนำคนให้ก้าวขึ้นไปโดยลำดับ ในแต่ละจุดของขั้นบันไดที่ก้าวขึ้นไปนั้นก้าวขึ้นไปสูงได้เท่าไร่ก็ทำให้ปลอดภัยมากขึ้นและใกล้ต่อจุดหมายที่ตนจะขึ้นไปมากขึ้นเท่านั้นข้อปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่ทรงสั่งสอนก็มีลักษณะอย่างนั้นโดยทรงยอมรับถึงความจริง ที่เป็นกฎธรรมดาของโลกก็าการที่บุคคลจะสัมผัสผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้นั้นก็มีอยู่เป็นจำนวนน้อยดังนั้นหลักธรรมในเบื้องตน้นจึงเป็นเรื่องของการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ปเจกชนแต่ละคนให้ได้ก่อนต่อจากนั้นก็เริ่มมาที่สถาบันครอบครัว แล้วก็ขยับไปแก้ปัญหาในด้านจิตใจในด้านสังคมซึ่งหมายความว่าบุคคลผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้ในชั้นใดชั้นหนึ่งก็จะได้สัมผัสผลในชั้นนั้นๆเช่นว่าทรงแสดงหลักธรรม โดยสรุปที่เป็นเรื่องของใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาในชั้นของศีลเป็นเรื่องที่จริงก็ทำได้ง่ายเพระาะอาศัยความสานึกที่ชอบด้วยเหตุผลไม่มากนะักบุคคลก็สามารถรักษาศีลระดับเบญจศีลขึ้นไปได้ความสานึกที่ก่อให้เกิดศีลนั้นก็คือความสานึกที่เข้าใจตนเองและเข้าใจบุคคลอื่น เข้าใจความต้องการของตนเองและตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นในลักษณะเอาใจเขาไม่ใจใส่ใจเราการสำรวมระวังในศีลก็บังเกิดขึ้นได้แม้จะมีการจำแนกสนแสดงออกไปโดยปริยายแต่ถ้าหากว่าพื้นฐานคือความสำนึกดังกล่าวเกิดขึ้นบุคคลก็สามารถรักษาศีลของตนไว้ได้ และในศีลแต่ละข้อนั้นก็มีความประนีตดึกซึ้งลงไปโดยลำดับแต่เบื้องต้นจะมีการสอนเพียงหยาบๆก่อนฉนันศีลที่เรียกว่าเป็นประนีตศีลหรือวิสุทธิศีลนั้นก็นี้เพิ่งเห็นตัวอย่างในิกขาบทที่สองเือทิ น, นาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ เริ่มต้นจริงๆก็มีเพียงเท่านั้นแต่ในชั้นของประณีษศีลแล้วแม้แต่การไปจับต้องโูปครามของของบุคคลอื่นด้วยความอยากได้ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องในชั้นศีลประณีษลึกขึ้นไปกว่านั้นแม้ความรู้สึกกระโมกอยากได้ในทรัพสมบัติของบุคคลอื่นก็เป็นความบกพร่องในชั้นของกุศลกรรมบุ ซึ่งก็หมายความว่าถ้าชั้นของประนีตศีลแล้วศีลก็ไม่บริสุทธิ์แต่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติเราสามารถสัมผัสผลในชั้นนั้นๆในชั้นหยาบชั้นกลางและชั้นละเอียดตรงไปโดยลำดับข้อปฏิบัติในชั้นศีลแม้จะเริ่มด้วยศีลแต่ต่อไปก็จะกลายเป็นธรรมะเป็นในตัวเอง เพิ่งเห็นกรณีตัวอย่างศิกขาบทที่หนึ่งโดยทั่วๆไปก็คือเจตนาวิรัติงดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายอย่างหยาบจริงๆก็พูดถึงตายเท่านั้นแต่อย่างกลางแล้วแม้มีการทำให้คนอื่นบาดเจ็บเดือดร้อนประสบทุกข์ทรมานทรมานตรกรรมเขาก็ถือว่าเป็นการผิดศีลในชั้นกลาง พอถึงชั้นประนีตแล้วแม้มีวัฏจักเจตนาคือเจตนาที่จะฆ่าเขาให้ตายก็ถือว่ายังมีความบกพร่องในชั้นศีลศีลที่เป็นฐานจริงๆ จ, งจึงต้องมีความเมตตามีความเอ็นดูในสรรพสัตว์ทั้งหลายกะกลายเป็นธรรมะไปแม้ในชั้นของสมาธิก็มีลักษณะอย่างนั้นคือมีชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดลงไปโดยลาดับ การศึกษาและการประพฤติปฏิบัติก็จะก่อให้เกิดผลแก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆแม้ธรรมะอย่างอื่นในระดับที่ตามลงไปก็มีนัยยะเช่นเดียวกันการสอนพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจึนเป็นการแสดงเรื่องจากง่ายไปหาเรื่องยากจากเรื่องยากไปหาเรื่องละเอียด จากเรื่องที่ตื่นไปหาเรื่องที่ตึกจากเรื่องที่ใกล้ไปเข้าใจในสิ่งที่ไกลออกไปมีลักษณะลาดลุ่มลงไปโดยลาดับเช่นเดียวกับมหาสมุทรนี่เป็นความมหัศจรรย์แห่งพระสัทธรรมคำว่าพระสัทธรรมนั้นบางครั้งก็เรียกใช้แทนาศาสนาเมื่อได้ยินคำว่าสัจธรรมก็ดีเรียกว่ า, าศาสนาก็ดี เรียก่็ทำไม่นก็ดีฟัง เ, เข้าใจว่าหมายถึงเรื่องเรื่องเดียวกันได้แก่พระพุทธศาสนาทั้งหมดประการต่อไปนั้นมหาสมุทรแม้จะมีน้ำอยู่เป็นนันมากก็าตามแต่ว่าน้ำก็ไม่เคยล้นฝั่งของมหาสมุทรันใดบุคคลผู้ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกา ปิฆุสามนเณรในพระพุทธศาสนานี้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระตนรตรายอย่างแท้จริงซึ่งท่านใช้คำว่าเป็นอาจรยสศรัทธานั้นจะมีความสำรวมระวังในสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงมาดัดไว้ไม่ยอมละเมิดสิขาบททั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสิขาบทใหญ่หรือสิกขาบทเล็กก็ตาม จะสมาธานศึกษาสำเนีกปฏิบัติตามที่ทรงแสดงเอาไว้อย่างไรสิขาบทบางสิขาบทเมื่อล่วงการผ่านเวลาไปแล้วก็ยังมีการสวดมีการจำทรงเอาไว้แม้จะไม่มีการปฏิไม่ไม่ต้องปฏิบัติก็ตามเช่นสิขาบทที่เกี่ยวกับภิกษุณีปัจจุบันก็ยังมีการศึกษามีการจำทรงมีการสาธยายไว้แต่ในชั้นของการปฏิบัต ก็ไม่มีภิกษุณีจะต้องปฏิบัติในชั้นการศึกษาจึงยองทำอยู่การรักษาศีลที่จะถือว่ามั่นคงในพระศาสนานี้ท่านอุปมาเหมือนกับนกต้อยจิวิต ร, รักษาฟองไข่เหมือนจามรีรักษาขนทางเะนั้นท่านบอกว่าสัตว์ทั้งสองชนิดนี้นกต้อยจิวิตนั้น พยายามทะนุถนอมฟองไข่ของตนโดยนอนงายยกขาทั้งสองขึ้นด้วยความเข้าใจว่าฟ้าจะถล่มทับไข่ของตนดยความทะนุถนอมไม่ฟองไข่ของตนทำลายผู้ที่ปฏิญาณตนเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาที่มีศรัทธามั่นคงจริงๆก็จะรักษาศีลในลักษณะอย่างนั้นหรือจามารีรักษาขนหางนั้นแสดงว่า สัตว์ที่ในชื่อว่าจามรีนั้นมีขนหางที่สวยงามมากแกจะทะนุถนอมขนหางของแกบางครั้งบางคราวมีอันตรายเกิดขึ้นเช่นถูกเสือบ้างสิงโตบ้างไล่กัดถ้าหางแกเกิดไปเกี่ยวกับตะวันหรือน้ำแห่งใดแห่งหนึ่งข้าวกกจะหยุดแกหางของแกให้ออกมาก่อนแม้ว่าในขณะนั้นเสือจะเข้ามากัดแกตายแกก็ยอมเพื่อจะทะนุถนอมขนหางเอาไว้ ดังนั้นพระพุะาคเจ้าจึงทรงสแสดงว่าภิกษุภิกษุณีเป็นต้นพึงรักษาศีลที่ทรงบัญญัติไว้เหมือนนกต้อยติวิตรักษาฟองไข่เหมือนจามรีรักษาคนหังคือยอมเสียสละอย่างอื่นบางครั้งแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาศีลเอาไว้ก้อ น, นี้ก็เป็นชั้นของจิตที่พัฒนาขึ้นไปแล้วจริง มีเรื่องอยางเรื่องมีตัวอย่างนิทานบุคคลในสมัยพุทธกาลเป็นนั้นมากที่ท่านอยู่ในวิสัยจะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากอันตรายเหล่านั้นได้ถ้ายอมละเมิดศีลแต่ท่านก็พิจารณาในทางเลือกว่าชีวิตของท่านนั้นถึงยังไงก็ต้องตายไม่ตายวันนี้วันต่อไปก็ต้องตายแต่ถ้าท่านตายไปโดยไม่มีศีลคติก็จะไม่แน่นอน ตากว่าท่านพยายามรักษาศีลเอาไว้คติของท่านคือสถานที่ท่านจะอุบัติก็จะมีความแน่นอนท่านก็ยอมเสียชีวิตโดยไม่ยอมเสียศีลซึ่งก็หมายความว่าศีลในชั้นนี้จะต้องมีสัจจะซึ่งเป็นสัจจะปฏิยานเป็นตัวคุ้มครองรักษาข้าวประกอบด้วยความมั่นคงในชั้นศีลจึงเกิดขึ้นแต่ศีลจะมั่นคงได้อย่างแท้จริง คือไม่มีความวิปริตเปลี่ยนแปลงนั้นท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าถึงจุดที่เรียกว่าทิฏฐิสัมพันนบุคคลคือท่านที่สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิจริงๆได้แก่ประโสดาบันเป็นต้นไปเท่านั้นแต่ถ้าดูถึงในระดับที่รองลงมาบุคคลที่มั่นคงจริงๆท่านก็รักษาของท่านไว้ได้เช่นเดียวกันประการต่อไปนั้น ในมหาสมุทรที่จริงแล้วก็เป็นการไหลมาของแม่น้ำทั้งหลายจากทิ่ต่างๆจากแหล่งต่างๆแต่เมื่อไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วก็จะเป็นน้าในมหาสมุทรเสมอกันไม่ได้แบ่งแยกว่าน้ำจากแม่น้ำนั้นจึงเป็นน้ำในมหาสมุทรน้าในแม่น้ำนั้นแม่น้านั้นไม่ใช่เป็นตนจันใดก็ดีผู้ที่เข้ามาบวชในประธรรมบิ น, นัย หรือในพระพุทธศาสนานี้เดิมก่อนจะมีฐานะมีตำแหน่งมีวันนภพ า, าพันธ์มีสกุลอย่างไรก็ตามแต่เมื่อเข้ามาบวชแล้วจะได้ชื่อว่าเป็นส ม, มณะศักยบุตรคือส ม, มณะที่เป็นบุตรของศักยะเสมอกันข้อนี้ทำไมจึงบีบตัวลงไปเฉพาะภิกษุบริษัทกับภิกษุณีบริษัท ตอนนี้เพราะในหมู่ของผู้ครองเรือนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติชั้นศีลไปควบคุมความรู้สึกนึกคิดหรือการประพฤติปฏิบัติของเขาที่เป็นจารีตแบบแผนประเพณีกันมาแต่พยายามชี้แจงแนะนำสั่งสอนให้เหตุผลให้บุคคลเหล่านั้นเข้าใจและยอมรับนับถือฐานะของกันอะไรกันเช่นทรงแสดงเห็นว่า ความแตกต่างของวันณะของพวกของชั้น ต, ต่างๆที่ยึดถือกันนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการยึดถือด้วยอำนาจของมานะทิฏฐิต่างคนต่างก็สอดใส่มานะทิฏฐิเข้าภายในใจและมีการยึดการถือการแบ่งแยกกันแท้ที่จริงแล้วความแตกต่างระหว่างวันณะหรือพวกหรือสกุลในระดับที่เป็นจริงนั้นไม่มี เพราะพระว่าวันณะใดก็ตามที่ทําบาปทำอกุศลแล้วเมื่อตายไปก็ตก น, นรกเหมือนกันวันณัใดทําบุญทํากุศลตายไปก็บังเกิดในสวรรค์เหมือนกันวันณัใดทําผิดกฎหมายวันณะนั้นก็ถูกลงอาทยาแผ่นดินเหมือนกันวันณัใดที่บําเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติดีเราสามารถบรรลุผลสูงสุดในาศาสนาได้เช่นเดียวกัน ไม่มีพระอาหารหันต์สูตรพระอาหารหันต์พราหม์พระอาหารหันต์กษัตริย์พรอาอรหัน์แพทย์แต่พระอาหารหันต์ก็คือพระอาหารหันต์เท่านั้นดังนั้นในด้านของธรรมะจริงๆแล้วคนเราจึงไม่ได้แตกต่างกันแต่ความแตกต่าง ก, กันนั้นขึ้นอยู่กับจิตที่ถูกย้อมสีด้วยมานะชิติมีการแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นชาติชั้นวรณะจนถึงมีการดูถูกดูหมิ่นกัน พระพุทเจ้าจึงใช้เฉพาะวิธีสอนเท่านั้นในชาวโลกคือสำหรับชาวโลกแต่ในพระธรรมวินัยนั้นมีระเบียบวินัยบัญญัติเอาไว้ใดเพื่อให้คนเหล่านั้นได้เกิดความสํานึกจริงๆว่าเวลานี้แต่ละท่านเป็นภิกษุเท่านั้นเป็นสมณะสักกยบุตรเท่านั้นไม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่ได้เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรหรือเป็นอย่างอื่นที่กําหนดหมายกันในชาวโลก บางครั้งบางคราวพระธิระในสมัยพระพุทธเจ้าที่มีมานณจัดในเรื่องเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าเมื่อตัวบวชมาแล้วจะลดมานณในด้านนี้ได้จึงต้องใช้เอาคนใช้ของตัวเองให้บวชเสก่อนแล้วท่านก็ไปกราบไหว้ปฏิบัติอุปถากบำรุงคนใช้ที่เป็นภิกษุแล้วเป็นวิธีลดมานณาของท่านลงไปแล้วในที่สุดท่านก็บวช หลังจกบวชแล้วท่านก็เป็นภิกษุหนุ่มกว่าโดยพรรษาโดยการที่บวชก็ต้องแสดงความเคารพนับถือต่ออดีตคนใช้ที่เป็นพระซึ่งบวชมาก่อนเป็นการตัดรอนมานะของตัวเองเป็นการขัดเกลามานะของตัวเองลงไปในพระธรรมวินัยนี้จึงไม่มีวันณนะแต่เป็นเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องของความดี ที่คนจะยอมรับนับถือกันโดยอาศัยไวัยที่แตกต่างกันโดยอาศัยคุณธรรมที่แตกต่างกันส่วนเรื่องชาตินั้นเป็นเรื่องของนอกกระทรภมยิ น, นดังนั้นเวลาแสดงวุฒะบุคคลโดยกว้างๆเป็นแสดงชาติวุฒคือเจริญโดยชาติวายวุฒิเจริญโดยวัยและคุณวุฒเจริญโดยคุณแต่ในชัย์ปฏิบัติแล้วจะพบว่า คนที่จเจริญโดยชาติโดยวัยนั้นจะต้องให้ความเคารพแก่คนที่จเจริญโดยคุณธรรมความดีพอเข้าถึงคุณธรรมความดีแล้วก็ละชาติโคตแท้สกุลออกไปยังเหลือแต่คนดียังเหลือแต่ผู้ดีเท่านั้นซึ่งความดีเหล่านั้นจะไปอยู่ในอดีตของคนที่มีอดีตอยู่ในวันณะอะไรก็ได้เข้าถึงความดีแล้วก็เป็นความดี ข้อปฏิบัติในพระธรรมวินัยจึงมีลักษณะขัดเกลวทั้งในด้านความยึดถือที่ผิดแพลกแตกต่างกันและความปักใจฝังใจในชาติชั้นวรรณะเป็นต้นหลักธรรมะในทางระุทธศาสนาจึงทาหน้าที่ขัดเกลวใจขัดเกลวมานะทิฏฐิขัดเกล ว, วตัาหาเป็นต้นออกจากใจทาให้คนเป็นผู้เสมอกันในสองด้าน คือด้านศีลได้แก่การประพฤติปฏิบัติในศีลเสมอกันด้านทิฏฐิคือความเห็นในหลักธรรมคำสังส่งสอนของพระพุทธเจ้าเสมอกันแน่นอนนั้นก็คือเป้าหมายแต่ว่าการจะดําเนินไปสู่เป้าหมายนั้นก็ต้องใช้การเวลาสําเนียกศึกษาอบรมฝึกปรือประพฤติปฏิบัติกันไปโดยลําดับแต่ก็มีจุดหมายอย่างเดียวกัน ส่วนใครจะเดินไปถึงจุดหมายได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความจริงในพระธรรมวินัยแล้วเป็นเช่นนั้นเรื่องของคนก็คือเรื่องของคนเรื่องของธรรมวินัยก็คือเรื่องของธรรมวินัยธรรมวินัยเป็นมัชสมัติประพฤติปฏิบัติและเป็นเป้าที่จะดําเนินไปให้ถึงซึ่งบางคนอาจจะไม่เดินตามมัช ก, ก็เป็นเรื่องของคนแต่ว่ามัชนั้นก็ยังมีอยู่เป้านั้นก็ยังมีอยู่ คนที่เดินตามมรรคก็ยังมีอยู่เป้าที่คนจะบรรลุได้ก็ยังคงมีอยู่ความอัศจรรย์ของพระธรรมวินัยจึงชี้ไปที่ตัวพระสัตวธรรมไม่ได้ชี้ไปที่ตัวบุคคลประการต่อไปก็คือว่าในพระธรรมวินัยนี้หรือในพระศาสนานี้ที่กําหนดหมายฐานะของบุคคล ความดีความงามของบุคคลโดยชั้นของศีลและโดยชั้นของทิฏฐิดังกล่าวนั้นเมื่อมีใครประพฤติออกนอกลู่นอกทางไปไม่ถูกตรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงออกไปบุคคลเหล่านั้นก็จะถูกรังเกียจจนถูกขับออกไปจากระทำไปไหนเนคนที่ละเมิดศีลซึ่งมีโทษกำหนดให้ขับออกก็ต้องขับออก มีความประพฤติมีจาระที่น่ารังเกยียจอาจาระที่น่ารังเกตหากผ่านการอบรมแนะนำตักเตือนลงโทษกันพอสมควรแล้วสุดวิสัยที่จะแก้ไขพระธรรมวินัยก็ต้องขับออกไปไม่ให้อยู่ในหมู่มีลักษณะเหมือนกับมหาสมุทรที่สิ่งของอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นซากศพหรือสิ่งไม่สะอาดมีประการต่างๆ เมื่อตกลงไปในมาหาสมุทรแล้วมาหาสมุทรจะต้องสัดขึ้นบนฝั่งหมดไลยแม้อยู่ในมาหาสมุทรลักษณะของพระธรรมวินัยก็เป็นเช่นนั้นคนที่ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกตรงตัวหลักของพระธรรมวิ น, นัยจะมีความวิปฏิสารทางใจมีปัญหาทางใจแม้ใครไม่รู้ตนเองก็จะรู้ถึงจุดหนึ่งก็จะอยู่ไม่ได้แลวจะต้องออกไปจากพระธรรมวิ น, นัย สถาการต่อไปนั้นมหาสมุทรแม้จะมีฝนตกลงมาจากภากฟ้ามีน้าไหลลงมาจากลำคลองแม่น้ารอบทิศทางและเป็นเวลานานแล้วแต่มหาสมุทรเองก็ไม่เคยล้นฝั่งขึ้นไปน้ำยังไม่เคยล้นในพระธรรมวินัย น, นี้ก็เป็นเช่นเดียวกันมีท่านที่เป็นวินยูชน คือผู้คือผู้รู้ดีผู้รู้วิเศษเพียรพยายามศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ทรงแสดงไว้จนบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลกันเป็นจำนวนมากแต่จำนวนพระอริยบุคคลในพระธรรมวินัยนี้ก็ไม่เกิดล้นพระธรรมวินัยนี้ยังสามารถช่วยคนให้บรรลุผลสูงสุดได้เรื่อยไป เหมือนกับมหาสมุทรพร้อมที่จะรับน้ำทุกทิศทางได้โดยไม่ล้นฝั่งเะนั้นประการต่อไปนั้นน้ำที่ไหลามาจากทิศทางต่างๆลงสู่มหาสมุทรจะเปลี่ยนสภาพของตัวเองหมดแต่จะมีอยู่มีรสอยู่เพียงรสเดียวเท่านั้นคือรสเข็มชั้นใดก็ดีในพระธรรมบินัย น, นี้ มีรถสูงสุดอยู่ที่วิมุตติรถคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจบาปอากุศลและกิเลสมีประการต่างๆวิมุตติสูงสุดจริงๆนั้นหมายถึงหลุดพ้นทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แต่ในขณะเดียวกันบุคคลสามารถสัมผัสรถของพระธรรมวิในัยในชั้นนั้นๆเพราะบรรดารถทั้งหลายในโลกนี้ รสของพระธรรมเป็นยอดแท่งรสทั้งหลายเพราะก่อให้เกิดความสุขความเอิบอิ่มความปีติความสงบความยือกยินขึ้นตามสัดส่วนแห่งธรรมะที่บุคคลได้สัมผัสเจนวรรสแห่งธรรมคือความสงบปีเรศได้ชั่วครั้งชั่วคราวบุคคลก็จะเห็นความผิดแผกแตกต่างกันจากอารมณ์ปกติ ในขณะนั้นมีความเยึกเย็นมีความปีติมีความอึบปีบบังเกิดขึ้นและการปฏิบัติในระดับที่สูงขึ้นไปเจนระดับสมถกรรมฐานที่กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ก็มุ่งไปสู่จุดคือวิมุตติรสคือการลิ้มรสจากการที่จิตของตนหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสทิ้งระยะการเวลาสูงขึ้นนานขึ้นอาจจะเป็นหลายวัน อาจจะเป็นหลายเดือนอาจจะเป็นหลายปีซึ่งแน่นอนว่าช่วงที่กำลังลิ้มรถแห่งธรรมะอยู่นั้นแม้จะมีบาปมีอกุศลอะไรผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสก็ตามจิตจะมีปฏิกิริยาตอบต่ออารมณ์เหล่านั้นในลักษณะที่ผลักดันออกไปหรือสลัดออกไปอกุศนก็จะไม่เข้าไปสู่จิตและมุ่งไปสู่จุดสูงสุด คือการหลุดพ้นอย่างถาวรเป็นพระริยบุคคลในพระพุทธศาสนาในชั้นนั้นนั้นนี่ก็เป็นความอัศจรรย์อีกประการหนึ่งของพระธรรมวินัยประการต่อไปนั้นในมหาสมุทรมีรัตนเป็นอนเนกอันนั้นแม้ในปัจจุบันเองก็ไม่มีการขุดค้นลงไปได้หมดว่ามีอะไรอยู่บ้าง แต่ในพระสัต ธ, ธรรมคือพระพุทธศาสนานั้นเต็มไปด้วยรัต น, นาน า, นาประการเป็นรัตนะเหนือรัตนะที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของรัตนะเหล่านั้นจะไม่มีทางเป็นพิษเป็นภัยเพราะารัตนะของตัวเองเป็นเหตุกล่าวโดยสรุปรัตนะที่สูงสุดก็คือกลุ่มของธรรมะที่เรียกว่าโพธิปักกียธรรม คือทำที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินตรงไปสู่มรรคผลนิพพานเพียงอย่างเดียวในแก่หลักของสติปัฏฐานทั้ง4ประการคือการตั้งสติระลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมให้ให้สงบในเบื้องต้นและให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้ง4ประการนั้นจนสามารถถ่ายถอนตัณหามนานะทิจจิที่มีอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมออกไปได้ สมระทานสี่คือความเพียรเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือละบาปบำเพ็ญบุญโดยการปลกปลกฝังความพอใจใช้ความเพียรพยายามมีการกระทําที่สืบเนื่องกันไปจนกว่าจะบรรลุจุดหมายปลายทางและอธิบาย ท, ทั้งสี่ประการคือความพอใจในกุศลนธรรมเพียรพยายามปฏิบัติในกุศลนธรรมเอาใจใส่ในกุศลนธรรมและใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแยกจะ ในสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นและในธรรมะที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่อินทรีย์ทั้งห้าและภะร ะ, ะทั้ง5ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลนำธรรมะทั้ง5้าประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามาเป็นแนวในการปฏิบัติขจัดอกุศลที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับธรรมะเหล่านั้นให้ออกไปจากใจ ดำเนินไปในโพชฌงค์ทั้ง8ปดประการสัมพันธ์ข้าวในอริยมรด์ดำเนินไปในโพชฌงค์ทั้งเจประการจนอย่างลงสู่ทางคืออริยมรด์มีองค์แปประการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นรัตนะที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้และเป็นรัตนะที่หาค่าไม่ได้เมื่อเทียบเคียงกับรัตนะเหล่าอื่นเช่น แ, แหวนเงินทองเป็นต้นก็จะพบว่า แก้แหวนเงินทองเป็นต้นนั้นให้ความปลื้มใจจริงให้ความสุขใจจริงแจะให้ความมีตกกังวลแล้วพร้อมที่จะเป็นสื่อมัจจุราชสำหรับบุคคลเหล่านั้นายธรรมะดังที่กล่าวมาแล้วมีนัยยะตรงกันข้ามคือไม่สาธารณะแก่คนทั่วไปโจรขโมยลักไปไม่ได้และสามารถที่จะคุ้มครองรักษาป้องกันบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ ในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อประการสุดท้ายซึ่งเป็นประการที่แปดในมหาสมุทรนั้นเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดเป็นสัตว์ใหญ่โตก็มีสัตว์เล็กก็มีในศาสนาหรือพระธรรมอินนีนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันมีบุคคลที่สูงด้วยคุณธรรมลดหลั่นกันลงไปลดหลั่นกันขึ้นไป จากกัลยาณปุภุตุชนจนถึงพระโสดาพระสกิทาคาพระนาคาและพระหันเป็นต้นนี้คือความอัศจรรย์อย่างยิ่งของพระธรรมวินัยที่เปรียบด้วยมหาสมุทรในลักษณะทั้งแปดประการซึ่งเป็นการที่ให้ผู้ศึกษาปฏิบัติเห็นว่าหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของธรรมชาติสามารถสามารถเรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวของเราได้ ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป